ขอรับน้อมต่อพระลานใจขอโอกาสละถวายความเคารพมาอย่างเพื่อนจอรธรามิกทุกทุกรูปเจริญพรเจริทธรรมมาอย่างคุณแม่ชีวาโซบาสิกาที่สนใจมาร่วมกันธรัดจุดมันแล้วก็เป็นวรมเช้านี้ทุกๆ ท, ท่าน การมาวัดมันก็เหมือนกับการที่เรามาตรวจสอบจิตวิญญาณของเราเคยสุขเคยทุกข์เคยถึงทางตีบตันของชีวิตจนใจเราก็มาวัดตรวจสอบซ่อมแซมหรือ ว, ว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ด <univers> ีดังเดิมคือคืนความเป็นปกติให้กับจิตกับใจชัวทั้งเหมือนกับว่ามันสะดวกในการที่จะใช้ต่อไปได้นานๆเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็จึงตรงประเด็นที่จริญสติปัฏฐานการเดินจงกรมการนั่งสร้างจังหวะ อันนี้มันก็จะเกิดประโยชน์กับทุกๆชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามไวัยไหนก็ตามเพศไหนก็ตามเ <c oughs> พราะว่าใจเราก็เหมือนกันมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงความท้อแท้เบื่อหน่ายสับสนกังวลยุ่งเหยเราก็จึงเมื่อกี้คลายปมในใจกัน ความเป็นปกตนะิความรู้สึกตัวเนี่ยจะเติมเต็มให้นะทุกสิ่งทุกอย่างจะเคลียรายออกมานะโดยกฎของกรรมฐานมันก็ใช้ได้จริงๆเนะมื่อมีการลงมือทำเหนะมือนกลคนป่วยนะมาได้ยาลงไปนะป่วยกายได้ยาลงไปก็หายป่วยนะคุณหมอก็จัดยานะวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง เห็นสมมติฐานของโลกแบบตรงไปตรงมาจากประสบการณ์ป่วยกายมียากระบวนการชิดถมอมทาภาตัดมีโรงพยาบาลชัดเจนสาธรสนุขจิตใจก็เหมือนกันเมื่อป่วยขึ้นมามันโลภมันโกรธมันหลงมันไม่ปกติมันผิดปกติไปเราก็หาความสุขไม่ได้ เราก็ใช้ลักษณะของการมาวัดมาวาใช้รูปแบบการบิดบัดฝึกหัดจิตนะจะนั่งเห็นการซ่อมแซมสติศีสมาธิปัญญาคุณธรรมต่างๆเมื่อจิตมันเข็ดบางเรื่องบางราวบทีก็ประครบให้มันร่างกายเราคัดย่อเข็ดเราก็ประครบะใช้ไพลใช้สมุนไพรขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดต่างๆ ประครบให้กับเขาจิตใจของเราก็ประครบได้ประครบใจยาที่ใช้คือสติปัญญาสมาธิวันนี้คุณธรรมต่างๆเหมือนกับเครื่องสมนุนไพรต่างๆมันไม่อดทนก็อดทนลงไปมันมีเรื่องที่ทําให้เรามีปัญหาเกิดมาเรามีปัญญาเติมลงไปเราดูไรโมโหล้วก็มีเมตตาลงไปน ประครบลงไปใส่ลงไปรู้สึกตัวลงไปตัวสติมันก็จะระลึกเอาคุณธรรมต่างๆมาใช้จนทางมันหายป่วยเหมือนกันจากเขตเป็นไม่เขตเผชิญลงไปอย่างเงี้ยเขตแล้วคนคนนี้ไม่อยากเจออีกต่อไปอย่างเงี้ยมันก็ปรับเปลี่ยนเป็นชีวิตใหม่ทั้งสองคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปมันก็หายได้ กืนสู่ความเป็นปกติเงี้ยดีเหมือนเดิมมันก็มีอยู่เท่านี้ชีวิตของเรานะมันไม่ได้มีอะไรมากมายกว่าชีวิตจริงๆที่อยู่ตรงหน้าของเรานะอาดีตก็ผ่านไปแล้วนะอนาคตมันก็ยังไม่มานะ่เงี้ยแต่ปัจจุบันนีมันก็มีปัญหามากมายแล้วก็คือหน้าทีนะ่หน้าที่เราทำหน้าที่ที่มันเกี่ยวข้องกันต่างคนต่างคิดนะมันก็ดีทุกคนนะ มองต่างมุมอย่างเงี้ยจึงมีกระบวนการแยกแยะต่างๆโยนิสโตรวนิการนะมองให้ดีไอ้สิ่งดีก็กลายเป็นไม่ดีมองสิ่งที่ไม่ดีเมื่อใช้ถูกกาลาเทศาก็เป็นของดีนะอีกคนต้องทําไม่ดีคนทําก็ดีขึ้นมานะสมมุติบัญญัติของรโลกเป็นอย่างนั้นนะคนที่ไม่ใช่หนะ้าที่ทําก็กลายเป็นเถื่อนคนที่มีหน้าที่ทำก็กลายเป็ น, น, น, นะปนนะถูกต้องตามกฎหมาย การที่มีการกำหนดไว้เนี่ยคือสมมุติบัรยัตเยิเราก็เห็นแล้วว่าเออการใช้ชีวิตของเราเขาจะต้อง เ, เรียกว่าเต็มรอบนะเรียกว่ามีสตินะประฐานสี่เต็มรอบนะมีกายมีวินามีจิตมีธรรม เ, เราก็ต้องเต็มรอบกับมันนะดูกายหเห็ น, นด้วยตาดูเด่นาเห็นจิตดูจิตก็เห็นความคิดเี่เป็นธรรมชาติที่เป็นกุศลอกุศลต่างๆนะ ก็ใช้หน้าตาดูก็คิดหูฟังก็คิดจมูกได้กลิ่นก็คิดริมรถที่ริ้นก็เราก็คิดปรุงแต่งไปจนความสุขความทุกข์เกิดความพอใจไม่พอใจความชอบความไม่ชอบขึ้นมาเราก็มีตัวสตินั่นแหละทุกครั้งที่มีการกระทบสัมผัสรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราก็ฝึกหัดได้จริงๆนิ การเคลื่อนมือเดินจงกรมกู้หยียดเคลื่อนไหวมันก็เป็นรูปแบบการฝึกหัดในขณะที่เป็นเบื้องต้นขณะที่ฝึกหัดกันเบื้องต้นแล้วก็ไม่หันหน้าหันตาไปทางไหนให้จิตของเรามาเลือกรู้รับรู้ความรู้สึกตัวจนมันรู้จริงๆนะเห็นรูปามนามทำจริงๆนะเห็นตัวสติที่มันเด่นขึ้นมาจริงๆนะเป็นปกติจริงๆนะ เราก็ได้ที่พึ่งใจใครก็ใจใครเนะีเรารู้นะคนอื่นอาจจะไม่รู้หรือว่าคนอื่นเขารู้เราอาจจะไม่รู้เนะีเราก็เกื้อกูลกันแบ่งปันกันนะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งอะไรก็ตามหรือว่าน้องรู้สองพี่รู้หนึ่งก็ตามนะเรากแบ่งปันกันอนกเลื้ออื้อเฟือนะมีน้ําจิตมีน้ําใจนะแสดงออกกันนะในหน้าที่ต่างๆ จึงทำให้มันเป็นบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเดียวกันที่มันน่าอยูนะ่เราก็จึงนั่นแหละมาโกด์มาเกากันมารักษาเยาแก้ไขกันอะไรที่ทําให้เราทุกขนะ์เช่นก็บอกว่ากําลังเนี่ยนะจึงเราจะมีพลังได้นะมันต้องมีกําลังคือลูกนะกําลังคือลูกใครมีลูกก็ต้องมีกําลังขึ้นมานะข ว, ขวาัญนกะ๋วยมันมีกําลังตั้งแต่ ก่อนมีแล้วเป็นกําลังของกิเลสกําลังของสัญชาตญาณกําลังของธรรมชาตนะิที่มันเป็นเรื่องของสัตว์โลกทั่วๆไปอย่านะงเงี้ยจนทั่งมันมีกําลังออกมาผลิตผลเป็นลูกนะไงท้ายสุดจะเกิดกําลังขึ้นมาต้องเลี้ยงดูมีเมตตามีคุณธรรมต่างๆใครไม่มีโู่คงไม่โู่หรอกมันเป็นยังไงนะแต่คนที่มีโู่จะรู้ชัดว่ามันคืออะไรลักษณะของเมตตาธรรมที่พ่อแม่ควรมีพึงกระทำกับลูกเนะี่ย อันนี้คือกำลังคือรูปคนนานๆก็โทษมหาหันเนี่ยถ้าลูกดีก็มีความสุขถ้าลูกไม่ดีเราก็ถูกต่อไปประหลัรัตตูปาชีวีเปลิดเงี้ยหรือปลาก็ตามปลาก็ตกเป็นเป็นมหารนรกลักษณะของอยากให้ทุกคนดีเหมือนเราเงี้ยตรงนี้ก็ต้องเรียกว่าระวังกันที่ว่าระวังคือระวังที่ใจของเราเพื่อไม่ให้ใจของเรามันทุกข์เงี้ย เราก็จะเห็นโอามันมีพลังจริงๆนละยแล้วนะของติดดียึดดีอยา่างเหยคนทั่วไปดีทะเลาะกอันตายนะเพราะฉะนั้นการมองต่างมุมเผอๆ อ, อาจจะถูกทั้งคู่ผิดทั้งคู่ก็ได้แต่นะเอากรอบระเบียบของสมมติมาวัดนะมันก็ถูกแต่มันก็ถูกของหน้าที่นั้นนะแต่ทั่วโลกหรือว่าธรรมชาติกฎของธรรมชาติยังไม่ถูกนะมันดีแต่ยังไม่ดีมากก็ยังไม่ดีถึงที่สุดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้ น, นะนกําลังคือลูกเราต้องปล่ให้ลูกเขา เป็นอย่างที่เขาเป็นนะเขาเรียนรู้โลกว่างก็ต้องโลกว่างเขาก็ต้องรับรู้เรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเขาเราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเราไม่ทุกเวลามีอารมณ์ทุกๆอารมณ์มันแสดงออกนะหรือว่าเมื่อมันมากระทำอย่างเงี้ยไม่สะเทือนใจแต่มันสะเทือนสะเทือนสุขสะเทือนทุกข์ไปเหมือนรถฟูยได้มันวนะิ่งนะในเมืองมันก็คลองตัวสวยงาม มันบ็นออกบุกเขาลุยป่ามันก็สะเทินผ่านตลอดไปไหนก็ไปได้น้ำท่วมมันก็วิ่งได้รถเก๋งในเมืองชีวิตสบายสะดวกแต่ว่าเมื่อออกเข้าป่าขึ้นเขาลงห้วยมันก็ใช้สมรรถนะไม่เท่ากับโฟลอยู่ได้สะเทินไม่ได้บางที่บางทางเจอหินโหลดต่ำติดใต้ท้องนะอันนี้มันก็บอกถึงลักษณะของธรรมะ ทำมามันผ่านตลอดตัวสติปัญญามันผ่านตลอดมันถึงมีวิมุตต์หลุดพ้นจนทั้งถึงสภาวะของพระนิพพานอย่างนีน้กำลังคือรูปไม่ใช่โลกแล้วนะคือรูปปีกก้าขาแข็งไวที่มันต้องโล่กว้างมันก็ใช้กําลังคือรูปอาบน้ําก็ไม่หนาวเดินทางไกลก็ไม่เหนื่อยทํางานหนักก็ยังยิ้มได้อยู่ไม่ปวดหลังปวดเอว ากำลังคือรูปอันนี้ก็จะเพึ่งลำแข้งเจ้าของใครอย่ามายุ่งมากพ่อแม่ก็ไม่ควรห่วงมากเพราะว่ากำลังเรียนรู้โลกบ้างอย่างเนี้ยเดี๋ยวไทยสุดประสบการณ์จะสอนตน เ, เราเออเลออกกำลังคือนะรูปนะกำลังคือญาติไปไหนถ้ามีญาติพี่น้องอย่างเช่นมาวัดป่าสุโตนยบอกว่าทุกคนคือญาติพี่น้องกันนะไม่มีใครแปลกหน้า คือญาติที่เพิ่งได้มาพบหน้ากันมาอบอุ่นอบอุ่นบรรยากาศของวัดป่าสุขโตเขียนติดเอาไว้นะลอกเรียนแบบของลายมือหลวงพ่อเขียนติดเอาไว้ที่สลาไตลักษเพื่อให้ทุกคนไม่เหมือนกับห่วงเข้าห่วงของห่วงกุฏิสาลาไม่ต้องห่วงกันนะให้สอบถามกันกุฏิไหนว่างว่างยังไงใครจะมาอยู่ล้วก็จัดให้เหมาะก็บางทีมาเที่ยวมาพักกันนวลสลาหน้านวล หรือว่ามาบวชมาอะไรก็สลาหน้าก็ได้ถ้ากุดว่างก็พอเข้าได้ก็เข้านะอย่างนี้เป็นตน้นก็จะว่าแจกเหมาะสมนะกับภูมิจิตภูมิธรรมเนะพราะบางคนเราให้ไม่ไดนะ้เข้ามาแล้วสกรปรกหน้าดูอย่นะเคยอยู่แบบสกรปรกรกลวงลังเนะี่ยพอมาแล้วก็ทิ้งขวดน้ําแก้วน้ําเสือเข้าไม่คืนประเภทนี้อยู่สลาหน้าไปก่อนนะแล้วก็อ่านออกนะเราเคยผ่านประสบการณ์มาทั้งหมดนะพระเจ้าเป็นคนวาง แต่มาอยู่วัดมาอยู่คนไม่อย่างเงี้ยพวกเราหลายคนก็อยู่ดีมีสุขกันมารอรถลักษณของภูมิจิตภูมิธรรมลงมาอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยเป็นสังฆะกค้าจริงๆเนี่ยเข้ากันจนกระทั่งไม่รู้ว่าใครเป็นใครมั่วอย่างเงี้ยก็เลยต้องใช้ลักษณะของวินยัยนะมีพืชนในไหนมาก็ใช้วินิวินัยขึ้นมาสินห้าสินแปดสิสิบสองร้อยี่สิบเจอะไรก็ตามกําลังคือญาติ ไปไหนแล้วอบอุ่นนะมีญาติมีพี่มีน้องคอยตักเตือนกล่าวหรือว่าแนะนําสั่งสอนนะพร่มบนอะไรก็ตามนะก็กลายเป็นเรื่องดีสำหรับคนที่ต้องการฝึกจิตนะ ร, รับรู้ก็มูลกว้างขวา ง, วา ง, วางยิ่งขึ้นไม่เอามาเป็นลักษณะของความลาคาญหรือว่ากลายเป็นการขัดอกขัดใจกันนะกลายเป็น เ, อ, เออดีดีดีดีด ด, ด, ด, ดีทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามนะกำลังคือทรัพ ไปไหนเราพูดเสียงดังได้นะไม่มีความรู้ไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันมีทรัพสมบัติอยู่นะเราก็ได้ลักษณะใช้กำลังคือทรัพไปไหนพูดเสียงดังไปอารตีต่างๆอาซิมอาซอนะไม่มีความรู้แต่ว่าอ้วอย่างนั้นอ้วอย่างนี้นะคือลงึ้นสารเนี่ยเอาเงินยัดไตโตที่เดียวกรพริกทั้งระบบะไรกระบวนการยุติธรรมเงี้ยเป็นต้นนะกาลังคือทรัพ มันก็เนลมิทอะไรได้เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกเหมือนกันฉันได้ลักษณะของกําลังคือสติปัญญาก็ฉานนั่นแหละนะมันก็เปลี่ยนทุกอย่างแลควรจะทุกมันก็ไม่ทุกมันสะเทินสะเทินน้ําสะเทินบกอย่างนี้เป็นต้นจรงเหมือนกับว่าหันกลับมาหันกลับมาหันกลับมาสู่ลนะักษณะของความจริง เพราะกำลังต่างๆมันเป็นกำลังที่จะสร้างให้เราหลงเป็นส่วนใหญ่ท้ายสุดกลายเป็นอำนาจนิยมวัตถุนิยมกลายเป็นบุญนิยมกลายเป็นเรื่องของนิยมพระชิดธาธรรมธรรมที่เป็นภายนอกเป็นนิรามิตสุขเป็นอามิสสุขเป็นสุขที่ต้องอิงอามิสเป็นอิงวัตถุอยู่กันนี้เราก็ใช้ลักษณะของกำลังคือศีลนิรามิตสุข ทานโดยลักษณะของศีลทําให้เกิดสมาธิสมาธิทําให้เกิดปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ลักษณะของบางข้างบางกราวปัญญาก็มาก่อนบางข้างบางคร่าวศีลก็มาก่อนบางข้างบางกลาวสมาธิเขมาก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นเราจะว่าตัวไหนมาก่อนมาหลังนะอันนี้ไม่ต้องหาไม่ต้องเลือกไม่ต้องคิดต่อนะแต่เพียงแค่ว่า ในสติในความรู้สึกตัว ม, มีทุกตัวนะจะทําอะไรก็ตามมีปัญหาอะไรก็ตามนะที่มันแก้ไม่ตกกลับมารู้สึกตัวก่อนนะกลับมาหาตัวปัจจุบันขณะที่กายเคลื่อนไวหวเห็นกายของเราก่อนให้มีสติสัมผัสก่อนนะเราเห็นกายวัตถุดุนก้อนตามความเป็นจริงนะมันจะมีกําลังคือศีลปรากฏขึ้นมาว่าใจมีสติอยู่กายมันจะปกติ น, ะนี่มันเป็นอย่างนั้นมันเหมือนก็ได้ประครบ ได้ประคบปงมอย่างเงี้ยนะลักษณะของจิตของเราที่มันเล่ล่อนมันเหนื่อยนะมันมีขันห้าขันอยเงี้ยมันมีขันสี่ขันมันมีขันขันเดียวลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีในเมื่อมันท่องเที่ยวไปก็แน่นอนต้องได้ประสบการณ์สุขทุกข์นะแตาทำเป็นลักษณะที่มันใช้ชีวิตแบบเสรีอิสระนะไม่มีตัวตนมันก็มีสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยมาให้ทําหน้าที่ต่างๆ อันนี้ก็มีสติปัญญาดักอยู่ไม่ประมาท อ, อยู่ตลอดเว ล, มเวลามีความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเว ล, มเวลานะมันไม่เป็นการขุนกายไม่ได้เป็นตันหามันไม่เป็นการทยานอยากออกพุ่งไปนะเป็นความโลภอย่างเงี้ยมันพุ่งออกไปนะไปหาโดยไปหาฟังไปลักษณะของหาความเติมเต็มขาดสิ่งไหนก็ต้องหาสิ่งนั้นเติมมนุษย์ทุกกีวิตอย่างเงี้ยแต่นี้บัดนี้เราไม่ใช่อย่างนั้นเราหยุด เรากลับมาคืนสู่ความเป็นปกตินะคืนธรรมชาติแท้ๆให้กับจิตกใจของเรานะมันกลายเป็นการตื่นรูนะ้มีอะไรมาให้รู้มันก็รูนะ้เหมือนต้นไม้ที่มีน้ำบนะามาก็แทะให้เสียบมันก็เสียบแต่มันไม่ได้ไปเสียบใครเท่านั้นเองแต่ว่าสัตว์ซ่าลาสิ่งเห็นว่ายอดสวยเห็นดอกสวยเห็นผลอร่อยนะมันก็มาเลียมาลิ้มนะมากระทำ มันก็สร้างภูมิต้านทานกันคือปัญญากนะฎของธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นผลปัญญาข้างเคียงซึ่งกันและกันเป็นผลกระทบกันเป็นห่วงลูกโซ่ของพลังชีวิตต่างๆเพราะฉะนั้นพะลังชีวิตนะมีกำลังคือศีลนะมันทำห้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยคือวิชาพระพุทธศาสนานะอันนี้ไม่ได้พูดเองนะแต่พูดตามองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่วันนีใช้ภาษาบาลีนะที่เป็นกระบวนการของภาษาบาลีทั้งหมดอย่างนี้ท่า น, นั้นเองแต่มันเป็นลักษณะของความรู้สึกตัวเนี่แหละนะการเคลื่อนกันไว้เห็นกายนั่งเดินจินนอนนี่แหละนะเห็นเวลามันคิดมันปรุงมันแต่งนี่แหละนะมาเป็นลักษณะของนะชีวิตนะที่มันพัฒนาขึ้นมามันก็เกิดชีวิตใหม่นะหนึ่งวันสองวันสาวัน4ี่วันอย่างนี้นก่อนหน้าเราเคยโกรธเคยโกรธเคยหลงจัดจัด เลยแล้วนะหลงตัวหลงตนหลงกาหลงใจหลงจนกระทั่งทุกข์ในท้ายสุดเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นต่อไปเนะมาเรารู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวอีกนะวันแล้ววันเล่ามันก็เห็นละออมันเปลี่ยนไปไม่เคยสุขก็สุขขึ้นมาจากการหยุดการแสวงหานะมันก็เห็นเออศีลก็นําสุขมาให้จริงศีลก็นกําโชคลาภมาให้จริงๆศีลก็นําความเย็นมาให้จริงๆ มันเกิดที่จิตที่ใจของเรานะไม่ได้เกิดจากข้างนอกข้างนอกก็ร้อนก็นเรื่องเขาแต่เราเย็นสัอย่างข้างนอกก็วุ่นวายเรื่องเขาแต่เราไม่ได้วุ่นวายสัอย่างนะปกติอยูนะ่มันก็ได้ทีพึ่งแบบเนี่ยนะมันก็จึงเป็นหลักของชีวิตนะการละชั่วทำดีชำระจิตโดยเกิดความไม่ประมาทรำที่ทำให้เกิดความไม่ประมาทคือสติสมัมปจญยญญนะสติสมัมปจญยะสติคือการเลึกรู้เนยะ่างนี้ มาเลิกรู้รู้อะไรก็รู้การกระทําของกายวาจาใจเนี่แหละนะกายของเรามันเคลื่อนมันไห้นั่งเดินยืนนอนนะมันเหมือนการตอกย้ํารู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกนะมันก็มีสัมญัสเกิดขึ้นมาคือรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทั่วสรตว์ว่างกายมันก็เกิดความเป็นเองขึ้นมาเมื่อก่อนแล้วก็เพ่งจ้องที่รู้การกระทบสัมผัสเป็นจุดๆเวลาเคลื่อนมือก็กระทบเป็นจุดๆอย่างเงี้ย จอตั้งเหมือนกับว่ามันเพลงจ้องจี้นะหนัก อ, อกหนักใจเหมือนถูกบังคับจิตไม่มีอิสระภาพนะต่อมาก็คือมันก็มีประสบการณ์ของมันก็ปล่อยปล่อ ย, ลอยคลายคลายบางครั้งบางคราวเผลอหลงไปบ้างแต่หลงแล้วรูนะ้มันทําให้เราเห็นพบแชดนะทุกครั้งที่หลงไปคิดครับคิดแล้วกรธโอ้มันเป็นอบายภูมินะมันเป็นลักษณะของจิตอสุรกายนะเป็นจิตลักษณะของสันนลกนะ มันก็อ่านออกขึ้นมามันคือความขี้ขาดตาขาวหวาดกลัวอย่างเงี้ยมันก็แสดงออกแบบกบเกลื่อนกันไปอีกอันนี้มันไม่ใช่การประครบนะการกบการเกลื่อนก็สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเรียกว่าหนีเสือป่าจระเข้อย่างเงี้ยเพรานชีวิตเาเรามีความทุกข์ในมหาบุคคลหนึ่งสองสามสี่ห้าทีก็หนีเสือป่าจระเข้นะรู้หน้าไม่รู้ใจแต่พอเรากลับมาหาตัวเองเพื่งตัวเองรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะ มันกลายเป็นเรื่องที่ว่าเราได้คำตอบของชีวิตนะอัตตหิอัตโนนาทโทวจริงๆตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆตนไหนเป็นที่พึ่งของตนนะก็ตนที่มันมีปัญหาแหละตัวตนของเราคิดแล้วโลภแลว้วกอดแล้วหลงแล้วรักแล้วชังนะไปพึ่งตนอีกตนคือตนที่มันเป็นสติพนะระเป็นสติปนนะัฏฐานมันไม่ได้แก้ปัญหาแบบสติสันชาตยานเกลียดกูก็จะฆ่ามึงอย่างเงี้ยไง พอจะ เ, อเป็นอาหารก็ต้องฆ่ามึง เ, เมื่อเราไม่พอใจนะก็ต้องหาทางเรียนกะว่าทําร้ายนะไม่ได้ทางตรงกระทางอ้อมมันะมได้ดเละก็ด้วย ก, กนไม่ได้เดิมมนกันด้วยคาถามันจะึงมีวิชาไสยศาสตร์ต่างๆมากมายเหลือเกินมันะมีหมอผีหมอไสยศาสตรนะ์ลมพัดลมเพลหลวงพ่อคาเขียนของเราก็เป็นอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยมีปัญหาสามีนะ เบื่อเมียเงก็หาว่าเออโดนคุณใสแล้วเมียก็อยู่ไม่ติดแล้วค่ะเนี้ยผู้หญิงก็อยู่ไม่ติดไปหาพระบ้างไปหาดูหมอดูบ้างไปหาหมอคนไหนเก่งๆหมอศยศาสตร์หมอขเขมเอนเงี้ยไกลขนาดไหนหมดเงินหมดทองหมดไหนขนาดไหนก็ไปกันไปดูนอกตัวอย่างเงี้ยมันก็จริงเหมือนกันเพราะโลกของศาสตร์วิธีคิดมันเป็นแบบนั้นแต่ท้ายสุดมันก็ ช่วยเราไม่ได้จริงแต่พอเรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะี่ยปัญหาหลายๆปัญหาก็ถูกขี้คายไปบางทีนี้เวลาผ่านไปปัญหาก็จบไปเองเนะีเวลาเรามีปัญหานะี่ยบางทีปัญหาเรามีนะผู้ใหญ่ใจดีที่เคยผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวก็หยิบยื่นมือมาช่วยเราเพราะเราเป็นคนดีพอเนี่ย น, นะเรียกว่าเทวดาร้อนก้นบางทีปัญหาเรามีคิดไม่ออกบอกไม่ถูก พอเรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวมีสติปัญฐาสี่อยู่นะรู้สึกกายรู้สึกกายรู้สึกตัวเกิดมือรู้สึกเดินยกองรู้สึกพอมันเกิดความพอดีขึ้นมานะจิตเป็นปกติว่างๆมันปิ้งขึ้นมาอา้าวเฮ้ยปัญหาแก้ได้ด้วยอา้าวเราไม่เคยมองเห็นมุมนี้เลยโอ้มนเลยกลายเป็นจัดระเบียบให้กับเราใหม่ระเบียบชีวิตอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือบางที เราไม่ได้แก้อะไรฮนะเราก็ปกติอยู่1นึ่วันสอวันสามวันสี่วันนะอยู่ๆปัญหามันปลดไปเองเช่ น, ะนบางทีก็เปลี่ยนวิธีคิดของเขาไปเองนะนะเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรเราก็เหมือนเดิมนะนะ่ะเขามองเราไม่ทุกอย่างเงี้นะเราเห็นแล้วพอเวลาผ่านไปก็เปลี่ยนวิธีคิดของเขาใหม่เพราะกันในขณะที่เขามองเขาก็ทุกของเขาเองเหมืนอนที่เราเคยเป็นเราเรามองคนนั่นเป็น vest, งั้นคนนี้เป็นนี้เราก็ทุกเองอยู่แล้วนะนะเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นนะ เพนะราะนั้นบางทีมเกิดปัญญาขึ้นมาไม่เป็นไรช่างมันช่างมันอย่างเงี้ยโอ้เป็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองการพูดของคูบาจารย์มันปลากรุขึ้นมาเป็นสภาวะในใจของเราเงี้ยเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อธรรมชธรรมชาติคือความเป็นปกติเราดูเราเขาดูเขาอย่างเงี้ยนะที่เคยใช้ว่า ก, กูดูกูมึงก็ดูมึงไปต่างคนต่างดูตัวเองอย่างเงี้ยมันก็จบลง ทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราเกี่ยวข้องกันกิ๊กกิ๊กกักกักันแต่ว่าไม่ทุกขเนีย่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ของวัตถุหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุหนึ่งเรียกว่ารูปธรรมหรือว่าการของวิธีคิดวิธีหนึ่งนามธรรมเป็นดีเป็นไม่ดีเงีย้ยมันก็เกี่ยวข้องกันไปรูป้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นนางรูก้กรอบกติกากฎระเบียบ ว, วินยัยหรือกฎหมายอย่างเงี้ยเป็นต้น ก็เลยไปแล้วนะที่ว่าใช้ชีวิตดำรงชีวิตนะได้อย่างผาสุกต่อไปนะกําลังคือศีลจึงต้องสร้างกันนะกําลังคือศีลเกิดจากความรู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเหมือนรูปประครบนะลูกใหญ่นะที่รักษาได้ทุกโรคครอบจักรวาลเลยนะประครบจิตประครบใจไม่ว่าจะมีปัญหาบอบช้าอะไรมาเนะมื่จะคืนสู่สภาวะปกติดังเดิมอย่านีน้สมัยก่อน สมุนไพรไทยเนี่ยขิงขาตะไคร้เนี่ยคนไทยรู้จักกันดีนะว่ามันมีสรรพคุณนะแต่ท้ายสุดฝรั่งท่าไหนก็ไม่รู้มองดูสมุนไพรไทยนะเป็นยาอันตรายอันดับหนึ่งมันเป็นลักษณะของมนะีสารพิษนะเช่นไซยาไนย์ยกตัวอย่างกั น, า น, นหาว่ามันเป็นโทษนะแล้วก็จะยกเลิกนะ จนกระทั่งมีกฎหมายห้ามใช้ขึ้นมาตนะอนนั้นเองเราก็ตื่นตัวกันหลายคนประท้วงหลายคนก็บอกถึงเหตุผลว่าจริงๆแล้วนะมันมีประโยชน์อย่างไรยถ้าหยิบมาใช้แต่พอดีนะจนท้ายสุดก็ต้องยกเลิกไปนะแลณะของสติปัฏฐานก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้นะเราจะมองข้ามมันมายกเลิอกออกจากจิตใจนี่อันตรายที่สุดนะมีสติรู้ลมหายใจนะดี ยิ่งมีสติรูก้การเคลื่อนไหวให้สุดยอดยการเดินจงกรมการนั่งยกมือสร้างจังวะการทำงานทำการคือการปฏิธรรมนะคือหน้าที่หน้าที่คือการปฏิธรรมนะโอ้เพราะนั้นเราไม่จาเป็นนะที่ต้องมาถกเถียงกันนั่งหองอ้องพระหรือว่าต้องอยู่ต่อหน้าพุทธรูปนั่งสมาธิหรือว่าสิบสี่จังหวะมันผิดมันถูกยบหนอพองหนอสัมมาระหังอะไรเงี้ย ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือรักนาะลีลาการรักษาทั้งหมดนการรักษาจิตรักษาใจเพียงแค่หลวงปู่เทียนจิตโภ ป, ประกาศชัดว่าการฝึกเจริญสติปัะฐานแนวเคลื่อนไหว น, ะนอันนี้มันตรงที่สุดมันรัดสั้นที่สุดเป็นการประกาศศาสนาของท่านาเฉยๆซึ่งท่านก็ต้องรับผิดชอบตัวท่า น, นเราก็เลยเหมือนกับว่ารับรู้เรียนรู้เพื่อ น, น้อมเข้า่าฝึกหัดตรกนี้แหละ วิธีการใดที่มันด่วนที่สุดเนะพราอชีวิตของเราประมาทไม่ได้นะมันเมื่อกี้ที่บัดสวดเราสวดกันว่าหนะันตถานิปิกเวามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุคือผู้ขอนะบัดเนี่เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด เนี่ยเราก็คือคําสุดท้ายที่มีนในครั้งพุทธกาลนันที่องค์สมเด็จธรรมะเจ้าได้ฝากเอาไว้เป็นร่องรอยท่านที่ทําให้เกิดความไม่มาท่านก็ชี้ไว้ชัดแล้วให้มีสติปฐาน4มีสติดูกายเวนาจิตธรรมจนกระทั่งเราทําได้ตลอดเวลาเวลาจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนกิจวัตรจาวันต่างๆหน้าที่การงานต่างๆมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวนในการเคลื่อนการไหวของกายของจิตเงี้ย ดังนั้นเราก็จึงเหมือนกับว่าไม่ชิเวลากันแล้วพวกเราด่วนที่สุดก็คือการกลับมารู้เนะื้อรู้ตัวรู้สึกตัวจนเห็นธรรมชาติปรากรอดขึ้นมาอาการของกายคือธรรมชาติอาการของจิตก็คือธรรมชาติวิธีคิดต่างๆนะก็คือเหตุที่ทําให้เราทุกสมุทัยนี่เองนะหลงเข้าไปเมื่อไหร่นะไม่มีสติปัญญาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ก็คือนําทุกขมาให้น เป็นภพเป็นภูมิเป็นภพชาชาามุรณะเกิดในจิตของเราตลอดไปล้ำเวลานัา้นกันออกมารู้สึกตัวรู้สึกตัวนะก็คือสิ่งที่เราต้องพึงปฏิบัตินะในลนักษณะของคนวัดคนวามาวัดก็ต้องมีความรู้สึกตัวก็ขอให้อำนาจของความรู้สึกตัวก็จงนะเป็นเหตุเป็นวัปัจจัยนะคำจุนหผนส่งให้เราได้เดินทางกันสู่การพ้นทุกขนะ์จนทั้งมีปกติสุข โดยเร็ววันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทั้นเธน